แนะนำบทอัลมุสดามิลบทอัลมุสดามิลเป็นบทมักกิยะมียี่สิบองค์การที่กล่าวถึงมุมหนึ่งของการดํารงชีวิตของท่านรอซูลซ ล, ลลลละวะไลวะสลัมในการตั้งจิตมั่นจงรักภักดีและยืนขึ้นละหมาดในเวลากลางคืนและการอ่านคำพีของอ oh. ัลลอฮ์แกนหลักของบทกล่าวถึงภารักจิตของท่านรอซูลซ ล, ลลลละวะไลวะสลัมด้วยเหตุนี้จึงขนานนามบทนี้ว่าอัลมุสดามิล บทนี้ได้เริ่มด้วยการเรียกท่านรอซูล์สันลันล้อว่าเลวะส ล, ลัมอย่างสุภาพอ่อนโยนที่แสดงทุก ค, ความเมตตาปราณีของอัลลอฮ์ต่อปวงบ่าวและรอซูลของพระองค์ซึ่งท่านได้ใช้ความพยายามในการพักดีต่ออัลลอฮ์ด้วยหวังความโปรดปรานจากพระองค์ต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการประทานองค์การซึ่งอัลลอฮ์ทรงมอบหมายแก่รอซูลของพระองค์เพื่อทําหน้าที่เผยแพ่แก่ผู้คนด้วยความขยันมั่นเพียน ในการนี้ได้อาศัยการเตรียมพร้อมในการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนเพื่อปฏิบัติศาสนกิจบทนี้ได้ใช้ถ้ารอซุลมีความอดทนต่อการทำร้ายของพวกมุสลินและจงแยกตัวออกจากพวกเขาอย่างสุภาพจนกว่าอัลลอด์จะทรงแก้แค้นตอบแทนแก่พวกเขาเองต่อจากนั้นบทได้กล่าวถึงการสัญญาของอัลลอ์ถึงการลงโทษและการตอบแทนในวันทยามาโดยที่ในวันนั้นจะมีความน่ากลัว และการตกใจซึ่งจะทําให้สีสากของเด็กๆกลายเป็นสีขาวบท น, นี้ได้จบลงด้วยการผ่อนคังของอัลลอฮ์แก่รอซูลของพระองค์และบรรดามุสลินผู้ศรัทธาจากการยืนละหมาดตะหัดยุทธในเวลากลางคืนเป็นความเมตตาแก่ท่านและบรรดามุสลิมผู้ศรัทธาทั้งนี้เพื่อจะได้ให้ท่านรอซูลและบรรดาสาวกของท่านนาบีมีเวลาปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต ด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอมโอ้ผู้คลุมกายอยู่นั้นลลจงยืนขึ้นละหมาดในเวลากลางคืนเว้นแต่เพียงเล็กน้อยไม่ใช่ตลอดคืน ครึ่งหนึ่งของกลางคืนหรือลดน้อยกว่านั้นเพียงเล็กน้อยอรหรือเพิ่มกว่านั้นและจงอ่านอัลกุรอานช้าๆเป็นจังหวะถ้าจริงเราประทานพจนาฏองค์การอันหนักหน่วงแก่เจ้า อินน่าชีต์ะอีลีฮีอาชด์วะตัอูวะอควูมูทีลาแท้จริงการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลาที่ประทับและเป็นการอ่านที่ชัดเจนยิ่งอินละฟินฮาริบฮวีลา้จริงสาหรับเจ้านั้นในเวลากลางคืนมีภารกิจมากมายวะกลิสมรัซบิกวะบัตตลฮบีลา และจงรำลึกถึงพระนามแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าและจงตั้งจิตมั่นต่อพระองค์อย่างเท่ริงครับพระผู้อภิบาลแห่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ดังนั้นจงยึดเอาพระองค์เป็นผู้คุม้มครองเถิดและจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวร้ายและจงแยกตัวออกจากพวกเขาด้วยการแยกตัวอย่างสุภาพและจงปล่อยค่าและบันดาผู้ปฏิเสธผู้สำนัน และจงผ่นผันให้แก่พวกเขาสักเล็กน้อยและรลจริงนะที่เรานั้นมีโซ่ตรวนและกองไฟลุกโช น, นบ และอาหารที่ติดลำคอและการลงโทษอันเจ็บปวดวันที่แผ่นดินและภูเขาจะสั่นสะเทือนและภูเขาจะกลายเป็นกองทรายหลายครูอินน้าอรัลนลาอิลัยุมรัศมีล่าชัยดันอาลัยคุม แท า, าจริงเราได้ส่งรอซูลคนหนึ่งไปยังพวกเจ้าเพื่อเป็นพยานต่อพวกเจ้าดังที่เราได้ส่งรอซูลท่านหนึ่งไปยังฟิาาฟลิเอาแต่ฟรลิปเอาได้ฝ่าฝืนรอซูลท่านนั้น เราจึงไถ้าพวกเจ้าปฏิเสธพวกเจ้าจะปกป้องตอนเองต่อวันนั้นได้อย่างไรเล่าซึ่งมันจะทำให้เด็กๆกลายเป็นคนแก่เพราะความตกใจกลัว วันนั้นฉั้นฟ้าจะแยกออกและสัญญาของพระองค์จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยแนนท้จ ร, ริญญนจงนี่คือข้อเตือนสติดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็พึงยึดถือเป็นแนวทางไปสู่พระผู้อภิบาลของพวกเขาเถิด إ ِ ن رَبَكَ ي َ ع ل َ م ُ أ ن َّ ك َ ت َ ق و م ُ أ َ د ن َ ى م ِ ن ثُلُثِ ا ل ل َّ ي ل ِ و َ ص ِ س ه ُ و َ ث ُ ل ُ ث ه ُ و َ ق ا ئ ِ ف َ ة مِنَ ا ل َّ ذ ي ن َ م ع ك وَاللَّهُ يُقَدِّرُ ا ل ل ي ْ ل َ و َ ا ل ن َّ ه ا ر عَلِمَ أ َ ن َّ ت ُ ح ص ُ و ه ف َ ت َ ب َ عَلَيْكُمْ فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ ا ل ْ ق ُ ر آ ن علم أن سيكون منكم مضا وأخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله و آ خ ر و ن يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله و آ خ ر و ن يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. وأقيم الصلاة و َ آ ت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدم لأنفسكم من خير تجده عند الله ه و خ ي ر ا وأعظم أجرار واستغفر الله إن الله غفور الرحيم แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงรู้ดียิ่งว่าเจ้ายืนละหมาดเกือบสองในสามของกลางคืนแต่บางครั้งครึ่งหนึ่งของมันและบางครั้งหนึ่งในสามของมันพร้อมกับจํานวนหนึ่งของบรรดาผู้ที่อยู่ร่วมกับเจ้าแล้วทรงกําหนดเวลากลางคืนและกลางวันพระองค์ทรงรู้ดีว่าพวกเจ้าไม่สามารถที่จะกําหนดเวลาได้ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงผ่อนผันให้แก่พวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงอ่านอัลกุรอานตามแต่สะดวกเถิดพระองค์ทรงรู้ดีว่าอาจมีบางคนในหมู่พวกเจ้าเป็นคนป่วยและอีกบางคนต้องเดินทางไปดินแดนอื่นเพื่อสแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์และอีกบางคนต้องต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ดังนั้นพวกเจ้าจงอ่านตามสะดวกจากอัลกุรอานเถิดและจงปฏิบัติละหมาดและบริจาคซะกาบและจงให้อลัลลอฮ์ยืมอย่างดีเยี่ยมเถิดและความดีอันใด ที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เพื่อตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าก็จะพบมันหนะ้าที่อัลละฮ์ซึ่งเป็นความดีและผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นพวกเจ้าจงขอไพยโทษต่ออัลลอฮ์ถ้าจริงอัลละฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ